จเจริญสุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนของพุทธประวัติต่อไปครั้งที่แล้วนั้นได้ว่ามาถึงตอนที่เศรษฐีผู้เป็นบิดาของยะสระได้กราบทูลอารธนาพระพุทธองค์ พร้อมกับยศศัก์เพื่อที่จะได้ไปเสวยอาหารเช้าที่บ้านของตนเองเมื่อทราบว่าพระองค์ทรงรับโดยอาการดุสเนียภาพคือการนิ่งแล้วเศรษฐีนี้ก็ได้ทำประทักษิณสิ้นสามรอบแล้วก็จึงได้กลับไปยังบ้านเลืองของตัวเองเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิ ด, ดาเลีกไปแล้วยศศ มานกนั้นก็จึงได้เข้าทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้โดยเอหิพิขุปสมัทาเช่นเดียวกันแต่ว่าการที่ประธานเอหิพิขุปสมัทาให้แก่ยศกุลระบบผู้นี้แปลกจากที่ประทานให้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าที่แปกกันก็มีว่า พระองค์ทรงประทานด้วยพระวาจา ว, ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเหล่ากล่าวดีแล้วเธอจงประพุทธพรหมจรรย์เถิดพระองค์ตรัสนี้มีได้ตรัสเหมือนกับที่ตรัสให้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าว่าเพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเพราะเพราะเหตุที่ว่ายะสกุลบุตรผู้นี้ ได้เป็นพระอาหารหันต์หรือเรียกว่าสำเร็จอรหัตผลแล้วตั้งแต่เป็นตั้งแต่ฟังเทศครั้งที่สองก่อนที่จะอุปสมบทเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งทุกย์ยะสะผู้พรยยะยศถาเสละผู้นี้ได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะขอบัพรพชาดังนั้นขอให้นักเรียนได้สังเกตและได้จดจาไว้ว่า เอหิพิคุุสมัฏฐาหรือการบวชโดยแบบเอหิพิกุปุสมัฏฐานี้มีด้วยกันสองแบบคือแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังมิได้เสกขิจคือยังมิได้เป็นพระรหันต์แต่อีกแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นพระรหันต์อเช่นพยศอุลบุตรเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระรหันต์นั้นจะไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถอดอันนี้นักเรียนต้องจำไว้ เมื่อยะสะเมื่อยะสะได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเรียบร้อยในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เสด็จติดตามในวลัลุในเช้าวันนั้นเองก็ได้เสด็จติดตามเป็นปัจฉาสมณนะคือเป็นผู้ที่ติดตามพระพุทธองค์ไปยังบ้านของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของตนเองตามคํารัตนา เมื่อไปถึงปลาอ่าเมื่อไปถึงที่บ้านปรากฏว่าหญิงสองท่านได้เข้าเฝ้าสตรีทั้งสองท่านสตรีผู้นี้ก็คือผู้หนึ่งเป็นบิดาของยาศากุณบุตรและอีกผู้หนึ่งผู้ที่เป็นพัญญาเก่าของยาศากุณบุตรนั่นเองได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาปโปรด สตรีทั้งสองก็โดยแสดงพระธรรมเทศนาการเก่านั่นแหละก็คือทรงแสดงอนุปุพีกถาเพื่อเป็นการฟอกจิตใจของสตรีทั้งสองนั้นให้อ่อนโยนสมควรที่จะได้ทมจะได้ฟังธรรมะทั้งสูงต่อไปเมื่อแสดงอนุปุพีเอาอนุปุพีกาถาแล้วก็ทรงแสดง อ, อริยสัจสีประการโปรดยังสตรีทั้งสองนั้นใหเห็นธรรม ให้เห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมสตรีทั้งสองนั้นก็ได้ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นสระนะเป็นสรณะจนะึงนับว่าสตรีทั้งสองนี้เป็นอุบาสิกาคนแรกในโลก สำหรับอุบาสิกาคนแรกในโลกนั้นมีอยู่พวกเดียวเท่านั้นเองก็คือพวกที่เรียกว่าเตวาจิกะอุบาสิกาคือสตรีทั้งสองนี้ถึงซึ่งรัตนะทั้งสามคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสณะที่พึ่งแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกต่อพระพักดของพระผู้มีพรภาคแต่ไม่มีสตรีใดที่ถึงลัตตนาสองเหมือนกับอุบาสกอคนแรกในโลก เพราะฉะนั้นอุบาสิกานี้จึงมีพวกเดียวหรือประเภทเดียวเท่านั้นเองก็ได้แก่ผู้ที่เป็นอุบาสิกาคนแรกนี้ก็คือผู้ที่เป็นมารดาและพันยาเก่าของยศกุณบุตรัเองสำหรับในข้อนี้นักเรียนก็ต้องจำไว้ว่าอุบาสกคนแรกในโลกมีสองประเภทคือประเภทหนึ่งเป็นพวกประเภทถึงลัตนะสองได้แก่ตปุสสะผลิกะ อีกประเภทหนึ่งได้แก่ถึงลัตนะสามคือประผูธประธรรมประสงค์ได้แก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาของยักษ์แต่อุบาสิกานั้นมีประเภทเดียวที่เป็นอุบาสิกาคนแรกของโลกคือประเภทที่เรียกว่าเตวาจิกัดถึงลัตนะสามได้แก่ถึงประผูธประธรรมประสงค์เป็นสถรนะที่พึ่งก็ได้แก่มารดาและทัญญาของยักษ์นั่นเองอแล้วอ่า มารดาบิดาและพัญญาเก่าของยศทั้งหลายของยศก็จึงได้อังคา่าพระบรมศาสดาและพระยศด้วยของเคี้ยวและของฉันอันประณีตโดยเคารพด้วยมือของตัวเองเมื่อสวยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชนชนทั้งสามนั้นให้สมาทานอาถรรพ์ลื่อเลงและก็เสด็จกลับป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมกับยสศ อยู่ต่อมาสหายสี่คนของยะสะก็คือวิมลสุพาหุตุ น, นชิขวัมปติเป็นบุตรของเศรษฐีสุดส่กันมาในเมืองพระลาณศรีนั่นเองเมื่อได้ทราบขาวว่ายะสะกุลบุต ร, รผู้เป็นเพื่อนของตนเองออกบวชก็จึงได้คิดว่าถ้ารรมาวินัยที่ยะสะกุลบุต ร, รออกบวชนั้นเห็นจะไม่เลวสามแน่และแน่แท้ คงจะเป็นพระธรรมวินัยอันประเสริฐแน่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วยศ ะ, ะกุลบุตรนี่คงไม่บวชเพราะอะไรเพราะยศากุลบุตรนี่เป็นลูกของเศรษฐีที่มีเงินมีทอง ม, มากมีบ้านอยู่ออันเหมาะสมแก่ฤดูทั้งสามและก็มีนางบำเรอตลอดทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งเป็นหญิงลุนล้วนเพราะฉะนั้นการที่ยศากุลบุตรนั้นจะสะละความสุขของชาวโลกเช่นนี้ มาถือเพศบรรพชานอนกลางดินกลางทรายนี้ถ้าหากว่ า, าศาสนานี้หรือพระธรรมวิ น, นัยนี้ไม่ประเสริฐ จ, จริงเข้ายะกุลบุตรคงจะไม่กระทําอย่างนั้นแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วก็ทั้งสี่คนก็พร้อมใจกันนะเข้าไปหาพยาศะพยา ศ, ายาศายาก็พาคนทั้งสี่นั้นเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อขอให้ทูลได้สั่งสอน พระองค์ก็ได้ศูนสั่งสอนจนให้กุลบุตรทั้งสี่คนนั้นเห็นธรรมแล้วก็ประทานอุปสมบทให้โดยให้เป็นีิสุขแล้วก็ทรงสั่งสอนจนกระทั่งให้บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นนับว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกสิบเอ็ดองค์ด้วยกันฝ่ายสหายของพยาางอยสระซึ่งอยู่ในชนบท อีกห้าสิบคนด้วยกันที่ไม่ปรากฏชื่อนะไม่ปรากฏชื่อเมื่อได้ทราบข่าวว่าย ะ, ะเพื่อนของตนเองนั่นซึ่งอยู่ในตัวเมืองได้บวชเรียนจะแล้วก็คิดเช่นเดียวกันคือคิดว่าพระธรรมวินัยที่ยศะกะุลบุตรที่บวชนั้นคงจะไม่เลวสามแน่ถ้าเลวสามแล้วยะกุลบุตรผู้นี้คงจะไม่บวชแน่เมื่อได้ทราบข่าวเชน่นนี้ก็ดึงได้ชวนกันมามาหาพระยศ พระยาศ ก, ก็ได้พาเพื่อนทั้งห้าสิบคนนี่แหละไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็ทรงสั่งสอนจนได้เห็นธรรมแล้วก็ประทานอุปสมบทให้แล้วกระทั้งทรงสั่งสอนจนกระทั่งให้ได้บรรลุเป็นพระรหัสผลเหมือนกับพวกสหายทั้งห้าคนเหมือนกันทั้งสี่คนเหมือนกันรวมแล้วความว่าในพรรษานั้นภายในพรรษานหนึ่งนั่นเองได้มีพระระหัสเกิดขึ้นแล้วในโลก หกสิบเอ็ดองได้กันหกสิบเอ็ดองนั้นก็คือปัญจวัคคีห้าเยสะกับเพื่อนที่มีชื่ออีกห้าเป็นสิบแล้วที่เพื่อนของเยสะสหายของเยสะพยัสเถระซี่ไม่ปรากฏชื่อหรือไม่ปรากฏนามอีกห้าสิบก็เป็นหกสิบแล้วก็พระบรมศาสดาหนึ่งพระองค์รวมไปแล้วยี่อาหกสิบเอ็ดพระองค์เมื่อภาษาวกมีมาก มีถึงหกสิบองแล้วพระบรมศาสดาเห็นว่าพอที่จะส่งไปประกาศศาสนาเพื่อที่จะได้เป็นีิตานุหิตประโยชน์แก่หมู่ชนเป็นอันมากได้แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็จึงได้ดขัดเรียกสาวกทั้งหกสิบองมาพร้อมกันแล้วจึงได้ดัดว่าภิกษุทั้งหลายเราพวกเราทั้งหลายนั้นได้พ้นแล้วจากบ่วง ทั้งปวงนะะบ่วงที่จะปลูกพันให้เราติดอยู่ในโลกเนี่ยเราได้พ้นแล้วเดียกันทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะคือหมายความว่าทั้งพระพุทธองค์ทั้งพระพิสุสงฆ์หกสิบลูกที่เป็นบริวาร น, นั้นก็พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นทิพย์คือหมายถึงว่า บ่วงของที่บุคคลที่ในเกิดในโลกสวรรค์ทั้งที่เป็นมนุษย์คือบ่วงของในมนุษย์โลกเราทั้งหลายก็ได้พ้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งเธอทั้งหลายนั้นจงเที่ยวไปในชนบทต่างๆเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากแต่ว่าเธอทั้งหลายนั้นอย่าได้ไปรวมกันหนทางเดียวสองลูกเพราะเหตุที่ว่า สมาชิกของเรานั่ยยังน้อยอยู่ขอให้ไปทางละหนึ่งลูกจงแสดงธรรมมีคุณในเบื้องต้นทํามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้พระองค์ให้ทรงประกาศพรหมจรรย์คือการที่ประพฤต ให้พร้อมทั้งอัตและพันธะชนะ <c oughs> อันบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสบังปัญญาหลุดทุลีในจักษุน้อยเป็นปกติอยู่แต่เพราะโทษที่ไม่ได้ฟังพระธรรมย่อมเสื่อมจากคุณที่จะพึงได้พึงถึงผู้รู้ทั่วถึงธรรมะจักมีอยู่สำหรับในข้อนี้พระองค์ทรงขัดว่า ส ำ, สำหรับบุคคลหรือว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเบาบางนะซึ่งกิเลสนี้เปรียบเหมือนกับทุลีหรือผงละองนะซึ่งกิเลสนี้มันบางปัญญาอยู่ก็เหมือนทุลีหรือละองที่บางในตาของเราอยู่นะแต่ว่าของทีน่น้อยนี่แหละถ้าหากว่าไม่ได้ฟังพระธรรมคธที่มีกิเลสเบาบางนี่แหละถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ก็ย่อมจะเสื่อมไปจากคุณอคุณที่จะพึงได้ถึงถึงเพราะไม่ได้รับความคําทางสอนเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยจักมีอยู่คือคนที่สามารถเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วจักรู้ทั่วถึงธรรมที่แสดงไปนั้นมีอยู่แต่ที่ไม่ได้รู้เพราะเหตุที่ว่าไม่ได้ฟังนั่นเองพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าให้พิสุท์ทั้งหลายนั้นไปเพื่อประโยชน์ และความสุกแก่ชนเป็นอันมากพระองค์ก็ตรัสว่าแม้เราตถาคตก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อจะแสดงธรรมเช่นกันแม้พระอาพระองค์นั้นแม้จะส่งพระสาวกไปแล้วพระองค์ก็มิได้ดูได้แม้พระองค์เองก็จะต้องไปประกาศศาสนาเช่นเดียวกันแต่ว่าพระองค์นั้น ตรัสแก่พระพิสุท์ทั้งหลายว่าพระองค์จะไปอย่างตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเหตุใดพระองค์จึงได้มุ่งหรือว่าเจาะจงเฉพาะที่จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสำหรับในข้อนี้นั้นเพราะพระองค์มาหัวละลึกถึงปฏิญญาณที่ให้แก่พระเจ้าพิมพิสารไว้ที่ได้พบกับพระเจ้าพิมพิสารครั้งแรกพระเจ้าพิมพิสาร ได้ขอปฏิญญาด้วยว่าถ้าหากว่าได้สาเร็จมรรคผลนิพพานหรือว่าอนุตตรสัมมาสัมปวิทยาแล้วขอให้กลับมาโปรดโยมบ้างพระองค์ก็ได้ทรงรับไว้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็มา น, นึกถึงปฏิญญาณเช่นนี้ต้องการจะไปเพื่องปฏิญญาณที่ให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ทรงมาหวนดูมาคิดดูอามาทรงพระดำริดูว่าถ้าหากพระองค์จะตรงไปที่กรุงราชคลึ โปรดพระเจ้าพิมพิสารเลยผลที่จะพึงได้นั้นจะไม่เป็นที่พอพระไทยหรือจะไม่ได้เป็นจไม่ได้ผลเท่าที่ควรมากเท่าที่ควรเพราะว่าในขณะนั้นชาวมโคตรลัทเลื่อมใสนับถือฉดินสามพี่น้องอยู่ดังนั้นการที่พระองค์จะมุ่งเสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคมนั้นเพื่อต้องการจะไปปราบพยศหรือเรียกว่า ไปโปรดชดินสามพี่น้องนั้นให้อยู่ในกำมือซะก่อนและจะพาชดินสามพี่น้องนี้มาโปรดพระเจ้าพิมิสารผลแห่งการประกาศพุทธศาสนานั้นก็จะได้ผลอย่างมากมายดังนั้นพระองค์ก็จึงได้มุ่งไปที่อุรุอาตมบนอุรุเวลาเสนานิคมพระสาวกทั้งหกสิบองค์นั้นรับคำสั่งแล้วก็ได้เที่ยวจาริกไปในช น, นบทต่างๆ คนทางละหนึ่งองค์หนึ่งองค์ตามพระพุทธบัลลังพระพุทธดำรัสได้แสดงธรรมประกาศศาสนานั้นให้กุลบุตรที่มีอุปุนิสัยในสถานที่นั้นๆได้ความเชื่อความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีอัธยาศัยน้อมไปในการอุปสมบทแต่ว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะให้อุปสมบทได้ เพราะเหตุทีพ่พระรูปภูษาองค์นั้นไม่ได้ทรงอนญาติไว้เมื่อมีกุลบุตรคนใดต้องการอุจะอุปสมบท <c oughs> ก็จึงได้พากุลบุตรเหล่านั้นน่ะพวกนั้นมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยหวังที่จะให้พระพุทธองค์นั้นประทานอุปสมบทให้เพราะฉะนั้นการเดินทางก็จึงลำบากทั้งอาจารย์และทั้งลูกศิษย์เพราะเหตุที่ว่าเป็นหนทางที่เป็นกันดารบ้างอะไรบ้าง พระบรมศา ส, สดาทรงดำริถึงความลำบากเช่นนี้แล้วจึงยกขึ้นเป็นเหตุแล้วทรงอนุญาตว่าเรา อ, อนุญาตบัดนี้เธอทั้งหลายจงให้กุลบุตรอุปสมบทในทิ่นั้นในชนบทนั้นเองเธอก็ทรงอนุญาตเลยว่าต่อไปนี้พวกเธอทั้งหลายจงให้กุลบุตรอุปสมบทได้หรือพูดง่ายๆว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นอุปชา บวชกุณบุตรได้ในชนบทนั้นนนั้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงแนะนําไว้ว่าวิธีการที่จะบวชทํำยังไงพระองค์ทรงแนะนําว่าสําหรับกุณบุตรที่จะบวชนั้นอันดับแรกให้ปลงผมและหนวดซะก่อนให้ปลงผมและหนวดซะก่อนแล้วก็ให้หนุ่งห่มผ้าที่ย้อมด้วยน้าฝาดหรือที่เรียกกันว่าผ้ากาสาวพัด แล้วก็ให้หนางกะโยงปนมมือไหว้เท้าพระพิสุทั้งหลายแล้วสอนให้ว่าตามว่าขปเจ้าถึงขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะและข อ, ขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองแม่ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันเมื่อกุลบุตรใดกล่าวเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่า ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชโดยวิธีนี้เรียกว่าติสรณ ะ, นะ ะ, ะข ม, มนูอุปสมาัาหรือเรียกว่าแบบง่ายๆคือวบวชโดยแบบไตรสรนาคมนี่เป็นขั้งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงประทานให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นอุปชายะยะเบกกุลบุตรได้ให้บวชโดยวิธีไตรสรนาคม จึงนับได้ ว, ว่าการบวชได้มีขึ้นแล้วเป็นสองวิธีเดียวกันคือวิธีหนึ่งเอหิพิขุปสมัทาที่พระบรมศาสดานั้นทรงให้อุปสมบทเองแล้วสองติสาระคัมมนูปสมัทาหรือว่าแบบบวชแบบไตรสารนาคมที่พระองค์ทรงอนุญาตให้สาวกเป็นอุปชายะบวช จึงได้มีการอุปสมบทโดยสองวิธีด้วยกันอีกอย่างหนึ่งให้นักเรียนสังเกตไว้ว่าการที่จะให้กุณฑบุผู้จะบวชนั้นอันดับแรกนั้นให้ปลงผมลนหนวดเท่านั้นเพราะฉะนั้นตามบาลีก็ตามหรือตามไหนๆก็ตามไม่มีคำโกนคิ่อ น, นี้ตามพระบาลีที่บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระที่โกงคิ้วนั้นมีเฉพาะพระในประเทศไทยเท่านั้นเองแต่พระในพุทธศาสนาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ตามลังกาก็ตามพม่า ก, ก็ตามลาวก็ตามโดยมากมักจะไม่โปรงไม่โปรงคิว้วไม่โกนไม่โกนขนคิว้วก็ถือตามพระบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ แต่สำหรับเมืองไทยเหล่านั้นเป็นประเพณีอย่างหนึ่งว่าบุคคลที่จะบวชในพุทธศาสนานั้นจะต้องโกนคิ้วด้วยดังนั้นการบวชของพระไทยเหล่านั้นหรือว่าการบวชนั้นต้องถือทั้งพุทธบัญญัติและประเพณีจึงนับว่าเป็นการที่ถูกต้องเพราะบรมศาสดานั้น พระองค์เสด็จอยู่ในเมืองพาราณสีพอสมควรแก่พระธยาศัยแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จจาริกนะพุทธดำเนินไปโดย้นทางที่ไปอย่างตำบนอุรุเวลาในระหว่างทางนั้นพระองค์ได้เสด็จแวะเข้าไปพักที่ไร้ไฟแห่งหนึ่งทรงประทับนั่งในภายใต้ล่นล้มไม้ที่ล้มไม้ ต้นหนึ่งในตำบล น, นั้นในที่นั้นสมัยนั้นเองมีสหายสามสิบคนซึ่งเรียกกันว่าพัทวัคคีที่ได้ชื่อว่าพัทวัคคีนี้ปรากฏว่าพัทวัคคีผู้นี้มีพวกมีเป็นพวกกันสามสิบท่านสามสิบคนพวกนี้ชื่อกันว่าพัทวัคคีซึ่งเราแปลว่ามีความเจริญหรือผู้ที่เจริญตามตำนานปรากฏว่าพัทวัคคีนี้ทั้งสามสิบคนนั้น เป็นคนที่มีรูปร่างหล่อรูปร่างสดสวยเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าพัทธวัคีแปลว่าพวกหรือหมู่ที่มีแต่ความเจริญพัทธวคีสามสิบคนนี้ตามตำนานกล่าวว่าเป็นบุตรของพระเจ้ามหากโกศล ก็คือว่าบิ ด, ดาเดียวกับพระเจ้าประเสรนาทีโกศลแต่ว่าต่างมารดาเดียวกันต่างบรรดากันมีเด็กันสามสิบท่านทั้งสามสิบท่านนี้ยี่สิบเก้าท่านแต่งงานแล้วมีพัญญาแล้วยังเหลืออีกท่านหนึ่งยังไม่มีพัญญาเพราะฉะนั้นทั้งสามสิบท่านนี้จะไปไหนไปเด็กกันต้องการที่จะไปหาความสําราญยังลาวป่า เสร็จแล้วทั้งสะทั้งยี่สิบเก้าคนเขามีพัญญาหมดอีกคนหนึ่งไม่มีพัญญาก็จึงได้ไปจ้างหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งมาเพื่อที่จะให้เป็นที่คู่ของพัทวคีที่ไม่ได้มีพัญญานั้นแล้วก็ได้นําทั้งหมดรวมกันหกสิบท่านคือสหายพัทวคีสามสิบและพัญญาและหญิงแพทย์สามรวมเป็นหกสิบคนในกันนั้น ก็มาหาความสสำราญเล่นกันอยู่ที่ไล่ฟ่าย์แห่งนี้แต่ว่าหญิงที่เป็นแพทย์สยานั้นตนเองคอยกำหนดความเผลอเลอของพวกพัทธวัคีทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อตัวเองจะได้เมื่อเห็นว่ามีความเผลอเลอแล้วก็จึงได้ลักห่อพันดาไปแล้วก็หายตัวไปสาหายทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อหาควานสมลานอยู่ในป่านั้นมองไปตรวจตราไปก็เห็นว่าหญิงแพทย์สยากนั้นได้หายไปก็จึงไปดูเครื่องไปดูห่อที่เครื่องบรรดาเพิ่งตัวเองที่ตัวเองได้กอ ด, ดถอดกองไว้ปรากฏว่าได้หายไปด้วยก็จึงได้ตามไปหาหญิงเหล่านั้นต่างคนต่างออกติดตามก็มาพบพระผู้มีภาคเจ้าเขา <c oughs> ที่ประทับนั่งอยู่ใต้ร่มเงาไม้แห่งหนึ่ง ก็จึงเข้าไปถามว่าพระองค์นั้นเห็นหญิงผู้หนึ่งเนีะ่ะผ่านมาทังนี้บ้างหรือไม่พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสถามว่าดูก่อนกุมารทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องการต้องการอะไรกับด้วยสตรีเหล่านั้นหรือเรียกว่ามีความประสงค์อย่างไรกับสตรีอย่างนั้นจึงตามหาอยู่พวกพัฒวคีทั้งหลายนั้นก็จึงได้เล่าความตั้งแต่ต้นให้ฟัง จนกระทั่งถึงว่าหญิงแพทย์สยานั้นลักเครื่องประดับไปพระองค์ก็ตรัสถามว่าเธอทั้งหลายน่าจะเห็นอย่างไรคือว่าเธอทั้งหลายจะสแสวงหาหญิงนั้นดีกว่าหรือจะสแสวงหาตนดีกว่าพวกพัทวคีเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพเจ้านั้น่ะจะพึงสแสวงหาตนนั่นแหลประเสริฐกว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้น ทนทั้งหลายเธอทั้งหลายในะจงนั่งลงเราจะแสดงทำให้ให้ท่านฟังเมื่อสลายทั้งหลายนั้นทูลลับแล้วนั่งณนะที่ควรข้างหนึ่งที่สมควรแห่งหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้แสดงอนุปพิกถากับอริยสัจสี่ให้สหายทั้งสามสิบคนนั้นฟังปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่สหายทั้งสามสิบคนนั้น แต่ว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นน่ะได้เกิดขึ้นแก่สหายทั้งสามสิบแล้วก็จึงได้ขอประทานขอประทานอุปสมบทพระองค์ก็ประทานให้โดยการบวชโดยแบบเอหิพิกุปสัมมทาเช่นเดียวกันเมื่อบวชแล้วพระองค์ก็ทรงไปประกาศศาสนาต่อไปอันนี้นะ่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า ตอนที่พระพุทธองค์ส่งสหายพัทธวคีพิสุทั้งสาสิบองค์ไปนี้ปรากฏว่าพัทธวคีทั้งสามสิบคนนี้ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันเลยสัตว์ว่าได้ดวงตายให้รมคือบางท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสูงที่สุดก็แค่อนาคามีเท่านั้นยังไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพระอรหันเลย แต่ว่าพระองค์ได้ส่งไปไม่เหมือนกับภาษาวกที่หกสิบองค์ที่ส่งไปคราวแรกอันนี้ก็เข้าใจว่าเนื่องว่าถ้าหาพระองค์จะรออบรมอยู่จนกระทั่งพัทวคีได้สําเร็จเป็นพระอรหนนันต์นี้จะยังความเนื่องช้าให้แก่พระองค์ซึ่งพระองค์ต้องการจะรีบเสด็จไปที่อุรุเวลาเนนานิคมเองเพราะฉะนั้นจึงได้ส่งไปประกาศศาสนาเลยและอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ว่าครั้งนี้พระองค์มิได้ตรัสว่าเธอจงแ ย, ก, ยกกันไป ทางละหนึ่งองค์และก็ปรากฏตามประวัติว่าทั้งสาสิบองค์นี้ไปในหนทางเดียวกันเข้าใจว่าพระเหตุที่ว่าทุกท่านนั้นยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็เจอให้จึงให้ไปนั้นเป็นกลุ่มๆ ก, กันต่อมาในภายหลังปรากฏว่าภิกษุพัทธวคีทั้งสามสิบท่านนี่แหละเป็นต้นเหตุให้พระพุทธองค์ในบัญญัต ให้มีการทอดกระถิงเกิดขึ้นคือเป็นการที่ว่าให้เปลี่ยนผ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพัทธวคีทั้งสามสิบท่านนี้ได้ไปประกาศพระศาสนานั้นตามชน บ, บทต่างๆนั้นไปด้วยกันทั้งสามสิบท่านด้วยกันแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าสําหรับสตรีผู้เป็นพัญญานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างหรือเปล่า ท่านมิได้มิได์ตามตำนานนี้ไม่ได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าทันยาทั้งยี่สิบเก้าท่านนั้นก็คงจะกลับไปอย่างบ้านเดิมของตนเองส่วนพระองค์เมื่อได้งทแอรเมื่อได้ทรงพัทวคีทั้งสามสิบองค์นั้นไปประกศาศพระศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้มุ่งหน้า ต่อไปคือเสด็จไปโดยลำดับจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของฉดินสามพี่น้องกับพวกหมู่บริวารเอาละท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุข <c oughs> จงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกัน ขอเจริญพรเจริญสุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องบทเรียนพุทธประวัติต่อครั้งที่แล้วนั้นก็ได้ว่ามาถึงตอนที่พระพุทธองค์ได้ส่งพัทธวคีไปประกาศศาสนาแล้วพระองค์ก้มมุ่งหน้า ไปอย่างตำบลอุรุเวลาเสนานิคมจนถึงโดยลำดับจนถึงที่อยู่ที่อาศัยของชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งสิทธิ์ที่เป็นบริวารอีกหนึ่งพันคนเป็นโดยลำดับท่อุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีชดินสามพี่น้องชดินผู้พี่นั้น ชื่อว่าอุรุเวลกัสปะคนที่สองผู้เป็นน้องชายชื่อว่านาธิกัสปะและที่สามซึ่งเป็นน้องชายน้อยนั้นชื่อว่าขยากัสปะตามประวัติแล้วทั้งสามพี่น้องนี้ในการก่อนนั้นเป็นคราวญาเกิดในตระกูลของพราหมณ์เมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ได้เรียนจบ ตาม้ะที่ของพราหมณ์คือจบไตรเพศทั้งสามคนนั้นพี่ชายใหญ่มีบริวารห้าร้อยพี่ชายน้อยคนที่สองมีบริวารสามร้อยและก็น้องเล็กที่สุดมีบริวารสองมีบริวารสองร้อยทั้งสามคนพร้อมด้วยบริวาร น, นี้ต่อมาภายหลัง มาพิจารณาถึงลัฐที่ของตนเองนั้นเห็นว่าไร้าสาระทั้งสามพี่น้องนี้พร้อมด้วยบริวารก็จึงได้ออกบวชเป็นฤาษีหรือว่าเป็นชดินนักบวชพวกประเภทชดินนี้ก็ได้แก่พวกที่เวลาบวชแล้วไม่โกนผมไม่ปลงผมไม่ปลงหนวดปล่อยผมไว้เป็นกระเสริมคือ รวบผมไว้ทําเป็นเสลดขึ้นไปบนเบื้องบ น, บนหรือที่เราเรียกว่าเกล้าเป็นมวยผมขึ้นไปเพราะฉะนั้นเหตุที่มีผมนี่แหละเขาถึงเรียกว่าชดินเพราะชะดินนี่มาจากคาว่าชดาคือมีชดาก็ได้กแก่ทรงผมนั่นเองนะชดานี้ลิชดินนี่แปลว่านักบวชที่มีพวกที่มีประเภทลกลุงลังคือผมนั่นเอง ดังนั้นที่เรามาเลียเรียกันรู้จักกันในนามก็คือว่าพวกลูสีก็จึงได้บวชเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอาสมอยู่ในที่ต่างในที่แยกกันไปพี่ชายใหญ่นั้นอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมเพราะเหตุนั้นจึงได้มีชื่อตามที่อยู่ว่าอุรุเวลกักษตปะ กัตรินี้เป็นชื่อของโคดน้องชายคนกลางนั้นตั้งอาสมอยู่ที่ริมแม่น้าเหตุนั้นเขาจึงเรียกชื่อกันว่านาทีกัตริส่วนน้องชายคนน้อยนั้นตั้งอาสมอยู่กับบริวารที่หัวโค้งแม่น้าขยาเขาจึงได้เรียกกันว่าขยากษัตริยทั้งสามพี่น้องนี้จึงได้แยกอาสมกันอยู่ กับบริวาขรของตนใกล้ฟังแม่น้ำในลันชลานั่นเองพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังอาสมของพี่ชายใหญ่คืออุรุเวละกัสสุขซึ่งทั้งสามพี่น้องนี้ถือการบำเพ็ญพจนโดยการบูชาไฟถือการบำเพ็ญพจนโดยการบูชาไฟ พระพุทธองค์นั้นได้ไปยังอาสง์ของพี่ชายใหญ่ไปขอพักอาศัยในครั้งแรกนั้นอชดินผู้เป็นพี่ชายใหญ่คือรุเวรกระศนั้นกระสปะนั้นไม่พอใจที่จะให้พักเพราะในฐานะพระพุทธองค์กับตนเองนั้นมีความเชื่อถือหรือว่าลทัทธิในการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่า ธรรมดานั้นฝูงนกก็ย่อมเข้าไปสู่กลุ่มของฝูงนกฝูงหงก็ย่อมเข้าไปสู่กลุ่มของฝูงหงฝูงกาก็ย่อมเข้าไปสู่ของฝูงกากเพราะฉะนั้นสมณะก็เข้ามาอ่านักบวชก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มของนักบวชเราก็ในฐานะเป็นนักบวชวยกันสูรุเวลากระสปะนั้นไม่สามารถจะปฏิเสธต่อไปได้ก็จึงได้เลี่ยงไปว่า ไม่มีที่ให้พักมีแต่เฉพาะเรือนบูชาไฟเท่านั้นเองและในเรือนบูชาไฟที่โ ล, ล, ลงบูชาไฟนี้มีป้าพญานาคตัวหนึ่งซึ่งดุร้ายมากพระพุทธองค์ก็บอกไม่เป็นไรแม้จะเป็นเรือนบูชาไฟเป็นที่อยู่ของพญานาคพระองค์ก็ไม่กลัวก็จําเป็นต้องให้พระองค์ฝ่ออให้พระองค์นั่นเข้าอาศัย พระองค์ก็ได้อาศัยเรือนบูชาไฟของช ด, ดินสามพี่น้องของช ด, ดินผู้พี่ชายใหญ่นั่นเองในครืนนั้นปรากฏว่าพระพุทธองค์นั้นกับพญานาคได้ต่อสู้กันจนกระทั่งพญานาคนั้นได้พ่ายแพ้ต่อพระองค์ไปเพราะในตอนรุ่งเช้าช ด, ดินกุรุเวลกักตสะปะพร้อมด้วยช ด, ดิน ผู้เป็นบริวารอีกห้าอยนั้นเข้าใจว่าพระพุทธองค์คงจะถึงแก่มรณะภาพด้วยพิษของพญานาคเสียแล้วก็จึงได้รีบมาดูอย่างที่หรอสำหรับโงสำหรับบูชาไฟเห็นพระองค์ประทับนั่งอยู่ก็จึงได้พูดว่าพญานาคไม่ได้ทำอันตรายอะไรหรือพระองค์ก็จึงได้ ยื่นบาทให้ชดินทั้งห้าร้อยพร้อมทั้งอุรุเวลากระสปะนั้นดูพระองค์ได้ทําได้จับพญานาคนั้นขบอยู่ในบาดอุรุเวลากระสปะเห็นเช่นนั้นเขา <c oughs> ก็จึงได้ออกประปากชมพระองค์ว่าพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์สามารถชนะพญานาที่ตัวที่โหดร้ายได้มีฤทธิ์มีมีความสามารถได้ แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์นั้นก็ยังเป็นพระอรหันต์สู้ตนเองไม่ได้ครูรุเวลากระปะนั้นเข้าใจาตนเองเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุที่มีคนนับถือมากเข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นสู้ตนเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายอมแพ้ในเรื่องฤทธิ์พระพุทธองค์ได้อาศัยอยู่กับครูรุเวลากระสปะนี้นประมาณสองเดือนได้กระทําอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนั่นสองพันกว่าครั้ง หรือสองขันก็นยังแต่ว่าอุรุเวลกัสปะนี้ก็ชมทุกครั้งว่าพระองค์เนี่ยมีอิธิปฏิหารมากแต่ว่าเป็นพระทหารสู้ตนเองไม่ได้พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าโมคะบุรุษนี้ไม่ยอมทิ้งมานะเพราะฉะนั้นจะต้องให้เกิดความสร็สังเวชดังนั้นพระองค์ก็จึงได้เรียกอุรุเวลกัสปะมาก็จึงได้กล่าวว่า อุรุเวลากัสปะท่านนั้นนมาใชตเป็นพระอรหันต์และปฏิปทาแห่งการปฏิบัติของท่านนั้นไม่ใช่ปฏิปทาที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านกำลังลวงโลกขอให้ท่านสมนึกหรือว่าคลายมานะเถอะอุรุเวละกัสปะพอได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็จึงได้กราบลงที่พระบาทอยู่คนทั้งคู่ของพระพุทธองค์แล้วก็ยอมละมานะ ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเธอจะมาอุปสมบทไม่ได้หรอกเธอนั่นเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์มากมายเพราะฉะนั้นเธอจะต้องไปอ่าถามพวกลูกศิษย์ซะก่อนว่าลูกศิษย์ทั้งหลายนั้นเขาจะยอมหรือไม่เธอจะมาเพียงอองค์่คนเดียวตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ อุรุเวลากระสปนั้นก็จริงได้กลับไปและชุมไปชุมลูกสิของตัวเองจึงได้บอกให้ฟังว่ารัติทิตตัวเองทั้งหมดพวกเราทั้งหมดนั้นเนี่ยประพุ่งปฏิบัติอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ไรสาระแต่ว่าพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีสาระเป็นพระธรรมวินัยประเสริฐลุสิทั้งหมดก็เห็นด้วยยอมพร้อมใจกัน เพราะฉะนั้นชั ด, ดินทั้งห้าอยพร้อมทั้งอุลุเวลักษัสปะก็จึงได้ลอยเครื่องอัฐบริขารคือเครื่องบริขารของชั ด, ดินแล้วก็ได้โกนผมโกนหนวดลอยลงในแม่น้ำเนรันชลาแล้วก็มาทูลขออุญสมบทพระพุทธองค์ก็ประทานให้โดยเอหิวสมเอหิวสมัาพร้อมกันทั้งห้าอย ชายน้องชายคือานาทีกรสปะซึ่งอยู่ทางใต้แห่งแม่น้ำในลันชลามเห็นเครื่องบริขารของชดินลอยมาในแม่น้ำก็คิดว่าในเหนือแม่น้ำนี้ก็มีชดินผู้เป็นพี่ชายของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นคงจะเกิดเหตุอันตรายอันใดอันหนึ่งแก่พี่ชายเราอย่างแน่ก็จึงได้ พาพวกบริวารสามอยนั้นมาอย่างอาสมของพี่ชายมาถึงปรากฏเห็นว่าเห็นพี่ชายเหมือนเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพร้อทั้งบริวารหมดก็จึงได้เข้าไปสอบถามเมื่อในความเช่นนั้นแล้วก็จึงได้รอยเครื่อ ง, รองอบริขารของชจ ด, ดินโกนผมโกล น, นวดในแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็ขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ออกประทานอุปสมบทให อีกสามร้อยท่านน้องชายน้อยคนน้อยซึ่งอยู่ใต้แม่น้ําเมรัชลาต่อไปอันเป็นที่หัวโค้งแห่งแม่น้ําขยาหรือว่าจังหวัดขยาเห็นบริขัรของเจดินลอยมาสองกลุ่มด้วยกันก็เข้าใจแน่วะคงจะมีเหตุการณ์อันใดหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายเกิดแก่พี่ชายทั้งสองเป็นอย่างแน่นอนว่าจริงได้พาบริวารมาอย่างอาสมของพี่ชาย คนกลางก็เห็นว่าอาสมนั้นว่างเปล่าก็จึงได้พาเดินมากันอีกมาจนถึงอาสมพี่ชายคนใหญ่เห็นพี่ชายทั้งสองพร้อมด้วยบริวาร น, นั้นเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาทั้งหมดก็จึงได้เข้าไปสอบถามเมื่อได้ความเสร็จแได้ความเป็นที่พอใจแล้วก็จึงได้สละบริขารของเจดินพร้อมทั้งโอนผนวชโร่งโปร่งหนวดลอยในแม่น้ํา เอานำไปลอยในแม่น้ำในรัญชลาแล้วก็เข้าไปทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพิสุผู้เป็นชดินหนึ่งพันสามองค์ด้วยกันพระองค์นั้นได้สั่งสอนอบรมชดินทั้งพันสามองค์คือสามพี่น้องนั้นพร้อมด้วยบริวารจึงกระทั่งทรงเห็นว่า มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วอินทรีย์ในที่นี้นั่นคําว่าอินทรีย์แก่กล้านั้นไม่ใช่อินทรีย์หกคือไม่ใช่ตาหูจมูกลิงกายใจแต่เป็นอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้านี้ก็ได้แกส่สตาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งทั้งห้านี้บางครั้งเราก็เรียกว่าพละห้าพละห้าอินทรีย์ห้าเหมือนกัน เห็นว่าอินทรีย์ทั้งห้านี้แก่รอบแล้วพอที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันที่จะได้บรรลุคุณธรรมชันสูงๆต่อไปแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้พาภิกษุทั้งพันสามลูกนั้นมายังตำบนขยาสีสัจประเทศซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำขยา หรือในหนึ่งก็คือพามายัางอาสมของน้องชายคนเล็กนั่นเองต้องมาประทับอยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ก็ตรัสไปชุมพระพิสุทธ์เหล่านั้นพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอาทิตะยายยาตะปริยายสุอาทิตตะปริยายสูตรนี้พระสูตรนี้ว่าในเรื่องเรื่องของความร้อนเหตุใดพระองค์ จึงได้เจาะจงแสดงอาธิตาปริยายสูตรแก่พระชะดินทั้งพันองค์พันสามองค์นี้อันนี้ต้องรู้ไว้ด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นสําหรับที่พระองค์ทรงแสดงนั้นพระองค์ตรวจดูอุปนิสัยของชดินทั้งพันสามองค์แล้วว่าชดินทั้งสพันสามองค์นี้มีอัธยาศัยชอบของร้อนเนี่ยชอบของร้อนก็คือ ชาดินทั้งสามทั้งพันสามองนี้ถือการบำเพ็ญตะบะด้วยการบูชาไฟเพราะฉะนั้นชาดินทั้งสามพร้อมด้วยบริวาร น, นี้ชอบของร้อนพระองค์ก็จึงได้นําเอาของร้อนมาแสดงให้ฟังถ้าจะพูดอีกนัย ห, หนึ่งก็หมายความว่าเปรียบเหมือนการที่ว่าหนามยอ่อหนามบกเมื่อก็ชอบของร้อนก็แสดงให้รู้เอาของร้อนมาให้ให้ฟัง ความร้อนที่ช ด, ดินได้รับโดยการบูชาไฟนั้นเป็นความร้อนภายนอกแต่ตอนนี้พระองค์ทรงสแสดงความร้อนภายในทรงสแสดงความร้อนภายในให้ฟังว่าความร้อนที่ตนเองได้แก่ไฟ ภ, ภายนอกนั้นมันเป็นร้อนภายนอกนิดหน่อยแต่ร้อนภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้สแสดงอาทิตตปริยาตยสุร ในพระสูตรนี้ว่าด้วยความร้อนให้ฉดินทั้งพันสามองฝั่งใจความแห่งอาทิตตปริย า, ยาสูตรน่ะมีอ่านใจความแห่งพระสูตรนี้มีว่าพระองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อ น, นะอะไรเล่าสิ่งทั้งปวงอันดับแรกพระองค์ก็ทรงตรัสอาญตนะภายในหกนะภายในหกก็คือตาหูจมูกลิ้งกายใจ <c oughs> นี่ว่าโดยยอด่อแล้วก็ประการที่สองทรงตรัสถึงอายาจักภายนอกหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะและธรรมาลมประการที่สามทรงตรัสถึงวิญญาณหกพัสสะหกเวทนาหก ที่เกิดขึ้นเพราะอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันทั้งหมดนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นของร้อนคืออายตนะภายในหกก็เป็นของร้อนเช่นจักขุงอาทิตต์ตาเป็นของร้อนเป็นต้นอายตนะภายนอกหกเป็นของร้อนเช่นคําว่ารูปาอาทิตตาประดมหลักว่ารูปาอาทิตตารูปเป็นของร้อน และพระองค์ก็จัดว่าวิญญาณนางอาทิตตังเน่ยวิญญาณเป็นของร้อนแล้วหนอนนั้นก็ยังจัดว่าพัสสะเป็นของร้อนก็คือเมื่อตาเยตะาภายในกับภายนอกประสบกระทบกระทบกันที่เรเียวกพัสสะเป็นของร้อน เพราะอายตนะภายในและภายนอกกระทบ ก, กันแล้วก็จึงได้เกิดเวทนาคือเวทนาที่เป็นสุขก็ตามหรือเป็นทุกข์ก็ตามหรือเป็นอุเบกขาก็ตามก็เป็นของร้อนทางนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าที่ว่าเป็นของร้อนนั้นร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะอะไรพระองค์ก็บอกว่าร้อนเพราะไฟสามกองไฟสามกองคืออะไรบ้างหนึ่งอักคาคิ ไฟคือราคะสองโทสักคิไฟคือโทสักสามโมหักขีไฟคือโมหะนี่พระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นทำไมว่าร้อนเพราะไฟราคะตาที่กระทบรูปถ้าหากว่ารูปนั้นเป็นรูปที่สวยงามพอใจก็เกิดราคะขึ้นนี่เพราะเกิดราคะขึ้นก็เป็นความร้อนแล้วต้องการอยากจะได้รูปนั้น ต้องการอยากจะได้รูปนั้นเป็นของตัวเมื่อไม่ได้โดยวิธีใดก็ต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะให้ได้รูปนั้นมานี่เป็นของร้อนเนี่ยร้อนเพราะอะไรเพราะอำนาจของราคะโทสะขี้ร้อนเพราะโทสะพราะไฟคือโทสะเป็นยังไงตาเราไปเห็นรูปแต่รูปผู้นั้นหรือคนผู้นั้นเป็นศัตรูแกเรา <c oughs> ตอนนี้ก็เกิดร้อนแล้วเมื่อเห็นศัตรูผู้เป็นอัมมิกเกลา คนเคยมีเวรกันซึ่งกันและกันแล้วเกิดโทสะขึ้นอยากจะกระทําให้บุคคลนั้นนัน่ให้ถึงความพินาศไปบ้างอย่างนี้ร้อนแล้วร้อนเพราะอำนาจของโทสะเมื่อร้อนเดือนหน้าของราคะก็ตามโทสะก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องการที่จะสนองความต้องการของตัวเองก็ได้ไปทําสิ่งนั้นบ้างโดยที่ไม่ได้คิดว่าเมื่อทําไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เช่นโทสะไปประทุสลายเขาขึ้นเพื่อที่จะให้สงกับความแค้นแต่เมื่อไปปัะทุสลายของไข่เขาข้อแล้วนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังนั้นไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นกระทำไปด้วยอำนาจของโมหะจิมเบจัดบอกเป็นโมหะคิดและนอกจากร้อนไฟเพราะไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะแล้วยังร้อนเพราะการเกิดการแก่การตาย ความเศร้าโศกคร่ำครวนความทุกความเสียใจและความขัดเคืองอีกเพราเหตุที่ความเกิดความแก่ความตายนี้ก็เป็นของร้อนเพราะเหตุที่ว่าได้รับความทุกันเองความเศร้าโศกโศกาลาพันธ์ความทุกความเสียใจความขัดเคืองใจต่างๆเมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วก็ทําให้บุคคลนั้นร้อนร้อนเพราะอํานาจความโทสะบ้าง ร้อนเพราะอำนาจพราะคะบางและร้อนหนัด้อำ น, นาจของโมหะ บ, บ้างเหล่านี้นี่พระพุทธองค์ก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องความร้อนภายในเมื่อตรัพระธรรมเทศนาจบปรากฏว่าภิกษุทั้งหนึ่งันสามลูกได้สำเร็จอรหัตเป็นพระอรหันต์หมดทั้งสิ้นทั้ง1ันสามสามลูกด้วยกัน เมื่อพระพุทธองค์พร้อมด้วยพรภิกษุผู้เป็นพระรหัหนึ่งพันสามลูกที่เป็นชดินอยู่ตามความประสงค์หรือตามพระธยาัยที่ขยาศีสะประเทศแล้วพระองค์ก็ได้พาภิกษุทั้งพันสามลูกนี้สเสด็จมาอย่างกรุงราชคลึ เพื่อจะโปรดพระเจ้าพิมีสานต่อไปพระองค์นั้นได้ดำเนินทางจากอุรุเวลาเสด็จจากขยาศรีสัประเทศจนกระทั่งถึงกรุงราชคลึดโดยลำดับประทับอยู่ที่ลัทธิวันที่เวนแคนมโคตนั่นเองที่ลัทธิวันลัทธิวันนี่ แปลกันว่าสวนตาลหนุ่มอันนี้สำหรับคนไทยกับพม่าแปลเหมือนกันว่ารัตทีวันแปลว่าสวนตาลหนุ่มแต่อินเดียลังกาและอังกฤษแปลว่าสวนไม้ตะปตพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินแห่งมคต์ได้ทรงสดับกิติศัพท์เช่นนี้จึงพร้อมด้วยบริวาร และประชาชนเสด็จไปเฝ้าทรงนมัสการพระพุทธองค์จนถึงที่ประทับคือรัทิวันแล้วก็ประทับนั่งณนะที่สมควรส่วนแห่งหนึ่งส่วนราชบริวารและประชาชนที่ตามเสด็จไปด้วยนั้นมีอาการต่างๆกันคือแบ่งออกไปแล้วได้ห้าประเภทคือหนึ่งบางพวกถวายบังคม ล้วก็นหนงเฉยเสียสองบางพวกเพียงแต่กล่าววาจาปลาใสหมายถึงว่าเป็นการเพียงว่าทักทายปลาใสแต่ไม่ได้วายสามบางพวกเพียงแต่พนมมือพนมมือไว้เฉยเฉยไม่ได้ทักกล่าวปลาใสต่างๆนานาด้ยกันสี่บางพวกเพียงแต่ประกาศชื่อและโคกของตนว่าข้าพเจ้าชื่อนั่น นามสกุล น, นั้นแล้วก็นิ่งเฉยแต่บางพวกนั้นไม่พูดอะไรเลยนิ่งเฉยถวายบังคมก็ไม่ถวายพนมมือก็ไม่เดินบํานมเจ้ า, กกาปู่จาปลาศัยก็ไม่มีและจะประกาศชื่อโค้ชของตง น, นเองก็ไม่มีเมื่อสรุปแล้วได้ห้าประเภทเีงพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของบริวารเหล่านั้นแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรที่จะรับพระธรร ม, มเทศนามีความประสงค์จะให้พระอุรุเวลกัสปะเนี่ยซึ่งเป็นที่นับถือของชนเหล่านั้นประกาศความไม่มีสาระแก่นสารแห่งลทัทธิเก่าของของตอนให้ทราบเสียเนื่องด้วยว่าที่บริวารของพระเจ้ษาผิมีาสารแสดงาการแปลกขะนั้นก็เพราะเหตุที่ว่ายังไม่แน่ใจว่าพระพุทธองค์กับอุรุเวลกัสปะมาด้วยกันเนี่ย ใครเป็นครูเป็นอาจารย์กันแน่ใครเป็นศาสดาใครเป็นสิท์กันแน่ก็เลยยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงมีประสงค์จะให้อุรุเวและกัสปะเนี่ยประกาศจะให้รู้ว่าใครเป็นศาสดาใครเป็นสิทนะเพื่อที่จะให้ประกาศว่าลัติที่เขาตนเองที่เคยได้สั่งสอนไปนั้นน่ะเป็นลัติที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระบัดนี้ตนเองนันได้ยอมมาเป็นสิท ของพระธถามโคตเจ้าประพฤติลทิที่เป็นสาระแก่นสารแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ตรัสเรียกท่านอุรุเวละกัสสะมาะเพื่อเมื่อท่านพระอุรุเวละกะัสสะมาแล้วก็ได้ประกาศความที่ไม่มีแก่นสารแห่งละทิเดิมของตน ของตนแล้วก็จึงได้ลุกขึ้นแล้วก็ซบีษรษะลงที่พระบาทของพระพุทธริหารมศาสดาและถูกประกาศว่าพระองค์เป็นาศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าส่วนข้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสาวกของพระองค์พวกบริวารของพระเจ้าพิมีสารทั้งหลายได้ฟังเช่นนี้แล้วก็จึงได้มีจิต น้อมไปในการที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาต่อไปเรียกว่าจึงได้มีกิริยามัญยาที่เรียบร้อยสมควรที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาต่อไปพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงอนุตุพีกถาทั้งห้าและอริยสัจสี่โดยพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร ธรรมเทศนากันนี้ทรงแสดงเป็นประจำสำหรับผู้ที่คนที่ไม่ได้ยังไม่เคยต่อพุทธศาสนาเมื่อจบพรธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าพระเจ้าพิมิสานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมใไดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บริวารของพระเจ้าพิมิสานั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อจะจำแนกไปแล้วได้สิบเอ็ดส่วน ได้ิบอส่วนในบรรดาสิบเอ็ดส่วนอันใดบรรดาสิบเอ็ดส่วนนั้นอ่านแยกไปแล้วเป็นสิบสองส่วนในบรรดาสิบเอ็ดส่วนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นตะเพียงว่าเลื่อมใสในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในไตสรสารนาคมเท่านั้นพระเจ้าพิบิสาร เมื่อจบพรทธมรทเทศนาแล้วพร้อมด้วยบริวารก็จึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกยอมรับนับถือพุทธศาสนาต่อไปและครั้งนั้นเองพระเจ้าพิมิสารก็มีความประอาจึงได้กราบทูลขออาความประสงค์ของตนเองแก่พระพุทธองค์ ว่าเมื่อครั้งที่ตนเองนั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่หรือยังเป็นราชกุมารอยู่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ห้าอย่างแล้วความปรารถนาห้าอย่างนี้เพิ่งมาสำเร็จครบบริบูรณ์ในวันนี้เองนะเพิ่งมาสำเร็จครบบริบูรณ์ในวันนี้เองพระเจ้าพิมิสารก็จึงได้การาบทูลถึงความปรารถนาของตอนเองหประการ ความปรารถนาห้าประการของพระเจ้าพิพิสังก็คือ 1. นึงขอให้ข้าพเจ้าได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินในมกุฏรัชนี้สองขอท่านผู้เป็นพระอรหันต์ผู้รู้เองเห็นเองโดยชอบพึงมายังแว่นแคว้นของข้าพเจ้าสาขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต องนั้นสขอพระอาหารหันต์องค์นั้นทึงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าห้าขอข้าพเจ้าพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระอาหารหันต์นั้นนี่ความความประสงค์ของพระเจ้าพิมพิสารห้าประการสำหรับในความประสงค์ข้อที่หนึ่งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้สําเร็จแล้วตั้งแต่ ยังเป็นพระราชกุมารอยู่หรือว่าเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเ ม, มือครั้งก็สําเร็จอยู่แต่อีกสี่ข้อนั้นยังไม่สําเร็จเพิ่งมาจะสําเร็จวันนี้นะเท่า น, นั้นเองสําเร็จบริบูรณ์เอาละท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความจเจริญพาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านขอจเจริญพร